พุทธวัตรสวัสดีค่ะนักฟังที่เคารพคะดิฉันสัสนสีนาคพงศ์นะคะมารายงานตัวในรายการที่ชื่อว่าสัสนสีสนทนาก็แปลว่าจะต้องมีผู้ร่วมสนทนาดิฉันเป็นคนโชคดีนะคะมีโอกาสได้สนทนากับพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อที่จะทำให้ตัวเองด้วยได้เข้าถึงธรรมะของพระาศาสดาที่ตรัสสอนไวมากยิ่งขึ้น กับทาให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมไปพร้อมๆกันพระอาจารย์ที่ได้มาให้ธรรมะกับพวกเราเป็นประจำนั้นเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีชื่อพระมหาภัยบูร์อภิปุนโนนะคะเราก็ไปกราบน้ำมัสการท่านกันก่อนเลยค่ะน้ำมัสกันค่าคะเชี่านดฉันจะใช้คาว่าชื่อสาหรับพระ ได้ไหมคะหรือว่าต้องใช้ฉายาชื่อนี่แหละชื่อถูกต้องแล้วนามเป็นนามนั่นเองค่ะ อ, อะสิ่งที่จะกราบเรียนถามท่านในวันนี้เรียนเองก็เชื่อว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าเคยได้ยินบ่อยๆว่าการที่เราจะเข้าถึงคําสอนของพระาศาสดาแล้วก็ปฏิบัติได้จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยจะต้องมีสิ่งนี้เป็นสําคัญ นั่นคือเรื่องศรัท ธ, ธาโอ้สาคัญมากสําคัญมากสําคัญใช่ไหมคะใช่แต่ดิ่ฉันสงสัยอีกอย่างหนึ่งว่าและที่เราเข้าใจกันว่าความเชื่อที่เรียกกันว่าความเชื่อความเชื่อกับศรัท ธ, ธาเนี่ยเหมือนกันไหมคะอมันมันเป็นระดับของภาษาอังกฤษคือ m อมมิชเมนต์นะคนุณเต๋ว ค, คือสมมติแเรวก็เรามั่นใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้คือความเชื่อเหมือนกัน เรามีจิตน้อมไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนี้ก็เชื่อเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าอืฟังดูเข้าทีฟังดูแบบน่าเชื่อถืออันนี้ก็ความเชื่อเหมือนกันแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าหมายถึงในในคำว่าศรัทธาตรงนี้คือความมั่นใจความมั่นใจในการกระทำความมั่นใจในกระบวนการการกระทำาความมั่นใจในผู้ที่เคยกระทำสำเร็จมาแล้ว ซึ่งซึ่งมันจะไม่เหมือนกับความศรัทธาชนิดที่แบบว่างมงายมันจะต่างกันมากเลยงมงายไม่เหมือนศรัทธาไม่ใช่ค่ะงมงายเนี่ยยังพอเข้าใจนะคะแต่ว่าความเชื่อก็จะอยู่ในระดับที่รองลงมาถูกไหมค ะ, ะงมงายเนี่ยก็คือเป็นความเชื่อในระดับที่ไม่มีปัญญาเนี่ยไม่ได้มีเหตุผลประกอบไม่ได้เข้าใจเนื้อหายอย่างแท้จริงไม่มีคือแบบอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาเลยไม่ได้มีเหตุผลคนใด แต่แต่ว่ามันความมั่นใจศรัทธาเนี่ยคือเป็นความเป็นที่เป็นเหตุเป็นผลค่ะอ๋อข้าจละท่านกําลังจะบอกว่าเอความเชื่อนั้นหรือว่าศรัทธานั้นเนี่ยมันก็เป็นความเชื่ออย่างหนึง่งแต่เชื่อในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลถูกต้องถูกต้องแล้วก็ในทางตรงกันข้ามเชื่อเหมือนกันแต่เชื่อแบบไร้ายเหตุผลนั่นคืองมงายเ ร, าเรียกว่าความงมงายทีนี้ท่านพูดว่าศรัทธาสําคัญมากในการที่จะ เข้าถึงคําสอนของพระศาสด า, าใช่ไหมใช่แล้วก็ปฏิบัติและเจริญยิ่งขึ้นไปเนี่ยสําคัญอย่างไรหรือคะเอาผลของศรัทธาก่อนลผลของศรัทธาก่อนว่าสมมุติถ้าเรามีศรัทธาคือความมั่นใจในการในคําสอนของพระพุทธเจ้านะสิ่งที่จะตามมาเป็นผลของศรัทธาคือการทําจริงแน่แน่จริงถ้าสมมุติว่าเราฟังเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งที่เป็นคําสอนของพุทธะแล้วคุณยังไม่ได้ทําจริงเนี่ยเช่นว่า ก็ยัง <hops>. ก hm. ็ย er. um ังอยากฆ่าสัตว์อยู่ยังยังแบบอยากโกหกอยู่ยังอยากพูดยุยงให้แตกกันอยู่แต่ถ้ายังมีการกระทำแบบนั้นอยู่แล้วคุณไม่มีศรัทธาเพราะว่าศรัทธาจะทําให้เกิดการทําจริงแน่แน่จริงไหนไหนในแนวทางที่จะเป็นใบเพื่อรักษาศีลได้ในแนวทางที่จะเป็นไปเพื่อวาจาทําได้ดีอย่างเงี้ยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นศรัทธานี่สําคัญนะคือถ้าศรัทธาไม่ถึงระดับไม่ถึงจุดคุณจะไม่ได้ทําจริงไม่ได้แน่แน่จริงในการกระทํา <C> e เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรามีการทําจริงแน่วแน่จริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นก็ฉันไม่ได้อยากฆ่าสัตว์อยู่แล้ว แ, แสดงว่าอันนี้คุณมีศรัทธาถึงจุดนั้นถ้ามากขึ้นไปมากขึ้นไปการที่จะประพฤติผิดในการการที่จะแกล้งกล่าวเท็จฉันก็ไม่จะไม่ทํารอกมากขึ้นไปมากขึ้นไปอีกในการทําจริงแน่วแน่จริงไปมากขึ้นไปมากขึ้นไปมันจะทําให้เกิดสตินี่คือเป็นผลของการทําจริงแน่วแน่จริงนะการทําจริงแน่วแน่จริงเนี่ยก็คือวิริยะนั่นเองคุณยมติ <C> e ๋ว ในที่นี้ศรัทธาที่ท่านว่าเนี่ยจะเป็นศรัทธาที่มุ่งตรงไปที่ไหนหรือว่ามีลำดับของการจะต้องเริ่มต้นศรัทธาอย่างไรไหมคะอ่าเดี๋ยวจ ะ, จะจะพูดถึงเหตุของศรัทธาอีกอีกอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงผลของศรัทธาก่อนว่าอาจจะทำให้เกิดการทำออจริงแน่แ น, <ค> น, น่จริงค่ะนะพะทาจริงแล้แ น, น่นนจริงนี่คือวริยะแต่ก็จะมีสติแลมีสติก็จะมีสมาธิมีสมาธิก็จะมีปัญญา นะ น, นี่ก็คือจะเป็นไปตามลำดับของสิ่งที่เรียกว่าอนะินสี่ห้าเริ่มที่ศรัทธาไปวิริยะวิริยะหมายถึงการทำจริงแน่แน่จริงนะสติคือเราก็จะมีการระลึกได้ที่ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นพอมีสติมากขึ้น ม, มากขึ้ น, มนสมาธิก็ตั้งขึ้นได้นี่ข้อที่สนีะ่มีสมาธิมีใจเป็นอารมณ์เดียวก็จะเห็นตามที่เป็นจริงคือข้อที่5ได้อันนี้ก็จะเป็นไปตามลําดับเป็นไปตามลําดับถ้าคุณมีศรัทธาระดับเท่านี้คุณก็จะทำให้เกิดวิริยะสติสมาธิปัญญาในระดับเท่านี้ ในกรณีก็เช่นว่าเรารักษาศีลข้อที่1ได้ข้อที่2ได้ข้อที่3ได้ข้อที่4ได้แต่ไม่ข้อที่หยังรักษาไม่ค่อยได้เลยก็แสดงว่ญญาคุณก็มีศรัทธาระดับเนี้ยแต่เพราะว่าปัญญาที่จะเห็นได้ว่ามฉันไม่ดื่มเหล้าก็ได้นี่นาไปสังคมไม่ต้องดื่มเหล้ามันยังไม่เกิดแตนะ่เพราะว่าความมั่นใจความศรัทธาตรงนี้ยังไม่มากเท่าตรง น, นั้นค่ะทีนี้ศรัทธาเนี่ยที่พูดถึงว่าเป็นตัวแปรที่สําคัญเลยเนี่ยเพราะว่าเหตุของศรัทธาเนี่ยสาคัญคุณยมติ้ว นะพระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคือทำที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นนะ<ะ>เช่นสิ่งที่เราได้เคยได้ยินกันอย่างบ่อยๆเช่นถ้ามีภาษาแล้วจึงมีเวทนาใช่ไหมเ<ะ>วทนาเนี่ยเป็นผลของภัสษาเนะี่ยมันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นอย่างนี้ถามว่าอะไรเป็นเหตุของศรัทธาในะเหตุของศรัทธาคือความทุกข์ถ้าคุณมีทุกข์แล้วจะมีศรัทธามีศรัทธาแล้วจะมีการทําจริงมันถึงจะไหลไปเป็นขั้นเป็นขั้นได้นะในไอเหตุของศรัทธาคือความทุกข์เนี่ยสำคัญ เพราะว่าถ้าเราต้องการจะแก้ทุกข์ได้คุณต้องมีสต้าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ตรงนี้คุณโยมติย์บอกว่าผลของความทุกข์มีอยู่2 อ, อย่างแนะผลของความทุกข์มีสองอย่างน ะ, ะคือ 1. นึ่งนะบุคคลที่เมื่อความทุกข์ถูกต้องแล้วก็รำ่ำไห้คร่ําำรวนทุบก อ, อกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงกลั่งเพล而นี่คือกรณีที่1นึ่นะคือมีความหลงไหลเป็นผลนนี่เป็นพุทธพจน์เลยทุกข์มีความหลงไหลเป็นผลนี่คือข้อที่1 ห, หรือ<ะ>หรือข้อที่2 ทุกเนี่ยจะทำให้เกิดการสแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครนอะจะรู้ทางออกของความทุกนี้สัก1 ห, หรือ2วิธีอันมาจำคำนี้ได้ขึ้นใจเลย <Okay. S 1> แต่ว่าใครนอจะรู้ทางออกของความทุกนี้ได้สัก1 ห, หรือ2วิธีนี้คื อ, <Okay. S 1> อผลข้อที่2ของความทุกคือมีการสแสวงหาภายนอกเป็นผลถาม <Okay. S 1> ว่าไอ้แง่งที่2อที่มนจ อ, อกมาเนี่ยแง่งที่1นึ้งี่ เ, เราจะจมปลักอยู่ในความทุกข์นะ ก็จะรำให้กลําควรก็จมปลักไปแต่แง่งที่สองที่จะออกมาได้ตรงนี้ว่าใครเนาะจะรู้ทางออกของปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธีเขาจะมาเจอตรงศรัทธาตรงนี้เขาจึงออกจากความทุกข์ได้เพราะฉนั้นศรัทธาเนี่ยจึงเป็นสำคัญเลยที่จะพาเขามาแง่งที่สองเท่ากับว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีทุกเนี่ยจะเกิดศรัทธายากอย่างั้นเหรไม่ได้เลยไม่คือแบบ่ไม่ใช่ไม่ได้เลย ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงแสวงหาทางออกจากทุกข์เพราะว่าเจอทุกข์อยู่ตามตานะทุกข์นี่คือมันมันไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่คือมันจะเป็นยังไงมันก็ยิ่งใหญ่นะแต่ว่ามันเจอกับเราทุกวันเช่นเราไปเข้าห้องน้ํานี่ก็ความทุกข์นะคุณยมเต๋ยวเขาถึงเรียกว่าสุขาใช่ไหมออกมาแล้วมันมีความสุขอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันเป็นความทุกข์หรือความทุกข์ที่เราเห็นได้ง่า ย, ายๆเช่นสิ่งที่มันไม่เที่ยงอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องละเอียดที่ที่บางคนก็อาจจะเห็นบางคนก็อาจจะไม่เห็นนะ เช่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละคือความทุกขนะ์หรือว่าความทุกข์อย่างที่หยาบหาบเราเห็นได้เช่นรถติดด่ากันว่าการเป็นความทุกขนะ์ทุกข์ที่มาอยู่ในรูปของสุทุกขเวทนาอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแดดร้อนอาหารไม่อร่อยพวกนี้เป็นความทุกข์ที่เห็นชัดเจนนะความทุกข์ในรูปของความแฝงเช่นความสุขที่ที่มันหายไปหรือว่ า, เ, าเรื่องง่ายๆเช่นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงและนี่ก็เป็นความทุกข์ ที่มันแฝงมาในรูปอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะนั้นก็เท่ากับว่า อ, อต้องมีความทุกข์เช่นก่อนแต่ทีนี้ไม่ได้หมายความว่าคนมีความทุกข์แล้วจะมีผลเป็นศรัทธาทุกคนถูกไหมคะมใ่บางคนจะไปในอีกทิศทางที่ท่านบอกว่าไปในทางที่หลงไหลใช่คือหมายความว่าจะมีการจมอยู่ในความทุกข์เป็นผลมีความหลงไหลเป็นผลค่ะห ล, <ง S 2> ลงไหลหลงไหลจมอยู่ในกองทุกข์เนี่ยหมายความว่า ถ้าคุณมีความสุขความทุกข์กองทุกข์นะกองทุกข์กที่มาในรูปของสุขเวทนาก็มีเช่นคุณร่ำรวยมีเงินทองมีชื่อเสียงแล้วคุณก็จมอยู่ในกองทุกข์นั้นลหลงไหลในกองทุกข์นี้ก็คือสภาพเดียวกันไม่ต่างกันกับคนไม่ต่างกับอะไรไม่ต่างกับคนที่เจอทุกขเวทนาไม่มีกินอะไรพวกนี้ก็จะเหมือนกันสภาพเดียวกันค่ะก็เท่ากับ ว, ว่าคนจะต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจมอยู่นั้นคือความทุกข์ หรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะคิดว่าตัวอย่างที่ท่านให้คือความสุขเนี่ยไม่เหมือนความทุกข์เป็นขั่วตรงข้ามสุขเวทนาค่ะอืมนะคะทีนี้อพวกที่จะเจอศรัทธาก็คือพวกที่รู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์แล้วก็ไม่อ ย, อยากอยู่กับความทุกข์หาทางออกจากความทุกข์ถูกต้องอย่างนี้ก็เลยมาสแสวงหาในขณะนี้ความศรัทธาเกิดขึ้นหรื อ, อยังค ะ, ะเขาจะมาสแสวงหาคือสมมติถ้ายังสแสวงหาไม่เจอ ยังเสาะหาไม่เจอก็คือยังอยู่ในกองทุกนั่นแหละแต่ว่าพยายามแสวงหายอยู่แสวงหาทางออกจากทุกอยู่แต่ว่ายังไม่เจอจนกระทั่งเขามาเจอนะเจอแล้วได้ลองทําดูกนะ็คือมีการทําจริงแน่แน่จริงไอ้ตรงที่เจอแล้วเนี่ยเนี่ยคือความมั่นใจที่เขาทําพราะได้เห็นผลมีอะไรมีสติกเกิดขึ้นอ้าวมีสติกเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันคลายทุกข์ไปได้ระดับหนึ่งทันทีเจอในเจออะไรทั้งค่ะเจอคําสอนเจอคําสอนที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีนี้ศรัทธาที่พระบุทรเจ้าให้ตั้งไว้ก็คือมีอยู่3ามระดับนะคุณยมติวคําสอนนี่ก็คือเป็นอ่าเป็นอันที่สองนะอั น, อ, นอันแรกเนี่ยเราจะต้องไปให้มีความมั่นใจมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระบุทธเจ้านะคือมันไล่มาเป็นลําดับอย่างนี้ว่าเอาเ อ, อ, เ, อเอาธรรมะขึ้นมาก่อนละกันนะก็คือหมายถึงว่ากระบวนการพิธีการทางออกของความทุกข์ เ, เราพูดถึงธรรมะแตนะ่ถ้าคุณคิดแล้วว่าไอกระบวนการนี้มันน่าจะถูก อันนี้คือมีความมั่นใจนี่คือเรื่องของธรรมะกระบวนการในการที่จะดับปัญหาในการที่จะแก้ทุกข์อันนี้คือเรื่องของธรรมะอาแล้วมีคนทําสําเร็จหรือยังนะตรงนี้จึงต้องมีความมั่นใจอันที่2ว่าคือการมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้าทาสําเร็จมาแล้วนะด้วยกําลังของบุคคลนะด้วยคนที่มีแขน2แขนขาสองขานี่แหละไม่ต้องว่า พึ่งอ้อนวอนเทพเจ้าหรือว่าต้องรอพรหมหรือว่าพระเจ้าองค์ใดทําให้เรามีความสุขหรือให้เขาคลายความทุกข์ให้เราไม่ใช่แต่ด้วยกําลังของบุรุษด้วยปัญญาของบุรุษของบุคคลเนี่ยนะนี่คือข้อที่สองใครทําเป็นตัวอย่างสมณโคดมสมณโคดมวันนี้คือข้อที่2ความมั่นใจเรื่องของพุทธพุทธานี่คือพุทโธคือตัวเราก็เป็นพุทโธได้นะเป็นอนุมพุทธะ <Okay. S 1> แล้วอันที่3คือความมั่นใจในการปฏิบัติ ว่าใครสักคนใดคนหนึ่งที่ปฏิบัติตามกระบวนการนี้จะต้องได้ผลเหมือนคนแรกนั้นนี่คือสังฆะคือสงสังโคคือสงนั่นคือการปฏิบัตินั่นเองไล่ไประดับอีกครั้งหนึ่งนะคือ1กระบวนการพิธีการคือเรื่องของธรรมะคุณต้องมีความมั่นใจตรงนี้ 2. คุณต้องมีความมั่นใจว่ามีคนที่เขาทําได้มาก่อนนั่นคือพุทธะที่อยู่ก่อนๆเรานะองค์แรกในสมัยนี้คือสัมมาสัมพุทธะชื่อสมณะโคดมถัดมาถัดมานั่นก็มีอัญญาโกฏัญญาที่เป็นอนุพุทธะถัดมาถัดมาก็ มีพระบรญจวกคีมีท่านภาษาที่บุญมคขนะแต่งสาวกในยุคพุทธกาลธรรมมาธรมมาสาวกในสมัยนี้กฏิบันดาบีบันดาบชอบแล้วก็เป็นพุทธพุทธาตามตามกันไปค่ะนะอ น, นี้ก็คือผู้รู้คนที่แก้ปัญหาของความทุกข์ี้ได้มีตัวอย่างอยู่อันนี้คือข้อที่สองนคือสัทธาในพุทธนะตั้งแต่สัมมาสัมพุทธะจนถึงอนุพุทธะที่เป็นสาวกของสัมมาสัมพุทธะองค์นี้ แล้วข้อที่สามคือมีความมั่นใจมีความศรัทธาว่าถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งรวมทั้งตัวฉันด้วยเนี่ยนะถ้าทําตามกระบวนการนี้ก็ต้องได้ผลเหมือนกันนี่คือความศรัทธาในการปฏิบัติในการปฏิบัตินี่คือสังโคค่ะสามประดับตรงนี้ถ้าบอกว่าถ้าเราคิดว่าเรามีศรัทธาเนี่ยต้องถามกันว่าศรัทธาถูกหรือเปล่าใช่ถ้าไม่ใช่ศรัทธาในลักษณะที่ท่านเปโตรพูดอยู่แล้ว ถือว่ายังไม่ใช่ศรัทธาในลักษณะของการที่จะทำให้เกิดการรู้แจ้งในธรรมะของพระศาษษษสดาใช่ใชถ้าแล้วมันจะไม่เกิดการปฏิบัตินั่นเองค่ะมันนั้นก็จะไม่เรียกว่าศรัทธาเพราะว่าอะไรมันก็ยังจำอยู่ในสมองอยู่ยังไม่เข้าถึงใจค่ะถ้าเข้าถึงใจปุ๊บมันจะต้องขยับ ใ, ใจจะต้องโน้มน้อมไปในทางที่ธรรมะจะให้เกิดผลเช่นเราก็จะรักษาสิลของเราได้ พรายามที่จะลดละเลิกสิ่งไม่ดีทำสิ่งที่ดีๆขึ้นมาค่ะทีนี้ดิฉันเชื่อว่าคนที่มีความทุกข์เนี่ยก็อย่างที่ท่านบอกนะค ะ, ะบางคนก็ไปแสวงหาในสิ่งที่ทำให้เราหลงไหลเช่นอาจจะไปศรัทธาเทพเจ้าเห็นเข้าไปไหว้วนกันนะคะว่าไหว้วนที่เนี้ยเจ๋งสุดเลยไปบนเนี่ยโอ้ไข่สามร้อยลูกได้แน่นอนอ อันนี้ใช่ศรัทธาที่ถูกต้องไหมคะออก็คือต้องเป็นศรัทธาในธรรมะนั่นเองแตถ้าธรรมะก็จะพูดถึงเรื่องของอริย ส, สัจสีเรื่องของมรรคแปดพวกนี้ยถ้าอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้คือไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าสอนค่ะและสําหรับคนที่กําลังฟังรายการนี้อยู่แล้วก็พยายามที่จะประพฤติตามธรรมะของพระาศาสดาก็หมายความว่าศรัทธามาถูกทางแล้วใช่ตรงนี้ก็เคยมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะเป็นปุโรหิต ของถ้าจะมาจะไม่ผิดทุ้สิจะเป็นพระเจ้าพิมพิสาลลปรปุโรหิตเนี่ยหมายถึงที่ปรึกษาของพระราชา mm hmm. ปรากฏว่าปรุรหิตคนนี้ชื่ออคิทัตเขาก็ก็เป็นอายุมากแล้วอ่ะคือเป็นปรุรหิตตั้งแต่สมัยพ่อของพระเจ้าพิมพิสารพอพ่อของพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตไป ล, ลูกก็ขึ้นครองราชแทนใช่ไหมก็พระเจ้าพิมพิสารก็เลยยกยกปรยุรหิตคนนี้ขึ้นเป็นอาจา ร, รย์ปุโรหิตคนนี้ชื่อ อ, อคิทัตเนี่ยก็เลยคิดว่าอื เราอายุมากแล้วเราเอาบวช ด, ดีกว่าก็เลยไปบวชนะคําสอนของอคิทัตนะคือบวชนี่ไม่ใช่บวชในคําสอนของพระพุทธเจ้านะคือบวชแบบบวชเองนะคือตั้งศาสนาขึ้นมาเองแล้วนะเขาบอกว่าให้เอาภูเขาเอาต้นไม้เอาป่าไม้เนี่ยเป็นที่พึ่งนะคำสอนของเขาเป็นอย่างนี้นะทีนี้พอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะก็เลยมาเทศสอนอคิทันตที่เป็นพรโลหิตคือที่ปรึกษาของพระราชาเมืก่อนเนี่ย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 ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้คือที่เทศสอนอะคีตัตตรงนี้นะพูดถึงว่าถ้าเรามีที่พึ่งที่ถูกต้องนะคือพระปุตรธรรมประสงค์อันนี้จะพาให้เรารู้อริย ส, สัจสีการรู้อริยสัจสีนั่นแหละจะเป็นความดับทุกข์ไดนะ้นี่คือประเด็นที่สำคัญค่ะทีนี้ทําไมคนถึงไปนับถือสิ่งอื่นไปเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึง่งนะเช่นภูเขาป่ า, มาไม้ท้องฟ้าทะเลรู้เจดีพวกนี้เพราะว่าถูกความกลัวคุกคามา นะตัวความกลัวคุกคามเอาก็ไปบนต้นไม้บ้างนะบนบานด้วยสิ่งต่างๆบ้างอ้อนวานบ้างถามว่านั่นเป็นที่พึ่งได้ไหมก็เป็นที่พึ่งได้แต่ว่าไม่สูงสุดนะไม่กเมนะกษมถามว่าไม่สูงสุดไม่กเกษมเนี่ยหมายความว่า แ, แม้สิ่งนั้นที่เราไปพึ่งเขาก็จะมีความเปลี่ยนแปลงห ว, วั่นไหวไปตามอำนาตตันหาราคะโทสะอวิชชาหนะ ว, วั่นไหวได้แน่นอนคะ่ะ เรื่องนี้ก็คือว่าต้องมีศรัทธาที่ถูกต้องใช่ถึงจะเป็นศรัทธาที่ท่านไปบูญบอกว่ามีความสำคัญมากถูกต้องและที่ว่าศรัทธาซึ่งท่านบอกว่าจะนำมาซึ่งมีความแน่วแน่ในการทำจริงที่เป็นผลเนี่ยนะคะแล้วก็นำไปสู่วิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเรียกว่าเป็นอินทรีห้ามีศรัทธานาอินทรีห้ามีประโยชน์อย่างไรคะอินทรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทาให้เรา บรรลุได้เร็วหรือได้ช้าถ้าคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าก็จะนำให้บรรลุได้เร็วคนที่มีอินทรีย์อ่อนก็จะบรรลุได้ช้าค่ะวันนี้เราอาจจะพูดกันแค่เรื่องของศรัทธาก็ดูเหมือนกับว่ากินเวลากันเกือบจะหมดทั้งรายการแล้วอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าเราขึ้นต้นด้วยศรัทธาถ้ามีศรัทธาที่ถูกต้องที่ท่านบอกว่าเริ่มต้นที่ธรรมะแล้วก็มามั่นใจในการตรัสรู้ ทั้งทั้งพุท ธ, ธะและก็อนุพุท ธ, ธะคือสาวกที่รู้ทำจากการตรัสรู้ใช่ไหมคะแล้วก็มั่นใจในสังฆะคือการปฏิบัติว่าเกิดพ้นจริงๆเนี่ยลำพังแค่ศรัทธาตัวเดียวเนี่ยสามารถที่จะแทนอินทรีย์ทั้งหมดเลยได้ไหมคะคือเพราะว่าศรัทธาตัวเดียวเนี่แหละคุณผูมตต่วมันจะพาให้เกิดวิริยะนะมันจะพาให้เกิดวิริยะก็จะพาให้เกิดสติแนะสติก็จะพาให้เกิดสมาธิสมาธิก็จะพาให้เกิดปัญญาเรีนะ่ยเหมือนกับ น้ำที่มันตกลงบนภูเขามันก็จะทําให้ซอกเขาซอกค้วยซอกผาเต็มซอกเขาซอกหวยซอกผาเต็มก็บึงน้อยๆเต็มบึงน้อยๆเต็มบึงใหญ่เต็มแม่น้ำเต็มแม่น้ำเต็มทะเลก็เต็มได้ทะเลเนี่ยมหมายถึงวิมุตต์หลุดพน้นนิพพานพวกนั้นก็เป็นไปตามลําดับงั้นก็อาจสรุปได้ว่าหากมีศรัทธาถูกต้องแล้วและทําให้มากเพียงพอแล้วจะรวมอินทรีย์ทั้ง 5, ห้าไว้ด้วยกัน อยู่ในนั้นทั้งหมดคล้ายๆอริยมรรคมีองค์แปดเลยที่ไปควบคู่กันใช่ใช่ใชนะคะท่านอาจารย์คะทีนี้อบางท่านเนี่ยอย่างที่เก็เจอนะคะคนบางค น, นจะมีเหมือนกับยิ่งถ้าประสบความสําเร็จมักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงเชื่อยากอพอเชื่อยากไม่รู้แกล้งหรือเปล่าอ่นะคะแต่ดูเหมือนกับว่าเราก็เป็นห่วงวเออแล้วศรัทธาจะมีไหมเนี่ยอืแล้วก็จะมีโอกาส ที่ก้าวพ้นความทุกข์หรือไม่คเคํนี่ยมันมันขัดกันนิดหนึ่งก็อยมั่นใจดูสิว่าคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะมั่นใจในตัวเองสูงเนี่ยความมั่นใจนี่คือศรัทธานะแต่สูงเกินไปมันกลายเป็นเครื่องขวางมันมันต้องทําความเข้าใจตรงนี้คําว่ามั่นใจสูงเกินไปเนี่ยคือเขาใช้ภาษาอังกฤษใช้ over confident ถูกไหมซึ่ ง, ซ, งซึ่งคําว่า over c o n f i d e n c เนี่ยคือหมายถึงมานะที่มีในตัวเองแตนะ่ไม่ใช่ศรัทธาที่เราหมายถึงในที่นี้เนะี่ยฉันมีมานะ มานะคือความถือตัวถือตนว่าฉันดีกว่าเธอฉันแย่กว่าเธอหรือว่าฉันเท่าเธอนี่คือลักษณะของมานะพอ ค, ะคนที่มีมานะแล้วจิตมันจะไม่น้อมพอจิตไม่น้อมเขาจะปลูกศรัทธาไม่ได้มันบางทีดูเหมือนกับว่ า, เ, าเขาเชื่อยากะคะ่ะอันนั่นแหละนั่นแหละ เ, เหมือนกับรู้ได้งไงว่านี่คือธรรมอืมนั่นแหล ะ, ละรู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานเวทงนานนมแล้วเรื่องราวนี้มันจริงไหมที่เขียนมาเนี่ยมันเหมือนไม่จริงอะไรเงี้ยนะ ตรงนี้ต้องศัพท์ที่พระพุทธเาใช้คือเขาใช้คําว่าปลูกศรัทธาปลูกเนื้อปลูกเนี่ยก็ค่อยๆรดน้ําค่อยๆปรวนดินจากลากล้าเพื่อค่อยๆโตขึ้นมาใช้คํานี้อันนี้อันที่หนึ่งนะ <c oughs> และ ว, ว่าคือบางคนก็ ป, ป, ปุ๊บปั๊บเหมือนกันตรงกันข้ามกับที่คุณโยมติ๋วพูดก็มีนะฟัง <c oughs> แป๊บเดียวโอ้โหศรัทธาเต็มที่เลยแต่ผ่านไปอีกเดือนนึงอ้าวหายไปหมดก็ศรัทธาหัวเต่าก็มีมีกุศโลบายไหมคะท่านคะที่จะทำให้เราสามารถ ทำให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นคนที่เรารักเหลือเกินอืนะคะต้องการที่จะให้พบหนทางแสนวิเศษเนี่ยสัมผัสที่พระพุทธเจ้าใช้นะซึ่งตัวธรรมาเองก็มาตามทางนี้เหมือนคือปลูกศรัทธาตัวธรรมาเอง<ช>ไม่ได้มีศรัทธา ใ, ในคําสอนของพุทธะแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้คิดว่าชีวิต น, นี้ฉันจะต้องบวชอะไรเงี้ยคือไม่ได้อยากจะคบกับพระสงฆ์เท่าไหร่สมัยตอนเป็นคารว่สนะค่ะเอแต่ว่าพอเรามาดูค่อยๆปลูกศรัทธาอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ แลนะ้ก็คืออินทรีย์ทั้งสเนี่ยมันต้องปรับกันนะเอาปัญญาปรับศรัทธาถ้าเราคิดว่าเรามีปัญญามากฉันเป็นหนึ่งในตองอูนะฉันก็เก่งเหมือนกันนะ <Okay. S 1> คุณก็เอาปัญญาตรงนั้นมาปรับศรัทธาให้เพิ่มขึ้นได้โดยอ่านหนังสือเล่มนั้นเล่มนีนะ้ที่จะเป็นลักษณะปลูกศรัทธาเพิ่มสมาธิิเอาปัญญาของเราเนี่ยไปนในการชี้ใคร้ครวญพิจรนารณาในลักษณะของอริยสัจสี่ศนระัทธาตรงนี้มันจะมันจะค่อยๆปลูกขึ้นเกิดขึ้นได้ อันนี้มาเป็นพยานให้ได้เพราะว่าตัวเราก็มาลักษณะนั้นเหมือนกันมาลักษณะนี้เหมือนกันอ่าแล้วไปปิ้งตรงไหนอย่างไรนี่เดี๋ยวไว้กราบเรียนถามท่านวันต่อไปนะคะใช่ก็จะพูดถึงระดับของศรัทธาเรื่องของอินทรีย์ต่างๆต่อไปนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเวลาคับแล้วล่ะค่ะนะคะก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเจ้าบอลท่านฟังคะอ่าในเรื่องของศรัทธากับความเชื่อที่กราบเรียนถามท่านไปบุญในวันนี้ท่านฝั่งฟังแล้วดูเหมือนอาจจะ ถามไม่ใช่ได้ความรู้ทางด้านธรรมะแต่จริงๆนะธรรมะเต็มๆเลยนะคะเพราะศรัานั้นเป็นองค์ประกอบของอินทรีย์5ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปจนถึงวิมุตติหลุดพ้นได้ตามความแก่กล้าของอินทรีแต่ศรัทธาจะต้องถูกต้องนะคะและมีความทุกข์ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าเป็นผู้ที่แสวงหาการออกจากความทุกข์ แล้วไปพบธรรมะพบพุท ธ, ธะพบสังฆะและ้วก็ท่านจะเห็นแสงสว่างนะคะทางด้านของปัญญาเนี่ยอยู่ปลายทางยแน่นอนวันนี้ก็ลาการไปตะเพียนเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เรามาฟังกันต่อค่ะในรายละเอียดของเรื่องอินสี่ห้ว่าท่านเพรบุญจะให้ความรู้เราอย่างไรนะคะวันนี้รายการสรนสนีสนทนา ส, สันสนีนาพงนะคะเป็นผู้ดําเนินรายการก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เจริญ ในคำสอนของพระศาสดาพอตัวที่จะมีความทุกข์น้อยลง ย, งยิ่งขึ้นไปนะคะพุทธสวัสดีค่ะ